เขรทำคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาที่พวกเราฟังกันอยู่นี้เป็นค ว, วเป็นวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยการค้นคว้าด้วยการพิสูจน์จากการปฏิบัติเป็นวิชาความรู้ อันเดียวในโลกนี้ที่จะยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้วิชาความรู้ชนิดอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่สามารถนำพาชีวิตของสัตว์โลกให้ออกจากวัตจะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย มีวิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดสานิเท่านั้นที่จะสามารถพาสัตว์โลกให้หลุดออกจากวัตจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ใดที่สามารถที่จะนำความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้ไปปฏิบัติก็จะสามารถนำพา ชีวิตของตนให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ผู้ที่สามารถทำได้ก็กลายเป็นพระอริยสงสาวกไปมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามี และขั้นอารหาันต์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาพิจารณามาไข้ครวนแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนให้หมดไปกำจัดเหตุที่พาให้จิตใจของตน ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนวิชาความรู้ของทางพระพุทธศาสนานี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญาในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน3ระดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองและขั้นที่สามเป็นการพัฒนา ความรู้ขึ้นไปตามลาดับเหมือนกับการปลูกต้นไม้เบื้องต้นเราก็ต้องปลูกต้นไม้ก่อนเมื่อปลูกต้นไม้แล้วพอเราทำนุบารุงด้วยดินด้วยน้ำด้วยปุ๋ยด้วยการดูแลรักษาต้นไม้ก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับและพอเจริญเติบโตได้เต็มที่ ก็จะออกดอกออกผลได้ต้นไม้ตอนที่ปลูกตอนแรกนี้ยังไม่มีประโยชน์ยังทำประโยชน์อะไรไม่ได้ขณะที่กำลังจะเริ่เติบโตก็ยังไม่สามารถทำเอาไปนำเอายังไม่มีดอกยังไม่มีผลออกมาต้องรอให้ต้นไม้นี้จะเริมเติบโตเต็มที่แล้วถึงจะออกดอกออกผลขึ้นมา ปัญญาทางพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกเราเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังภาษาพระก็แปลว่าเรียกว่าสุตตมยัปัญญาอย่างที่ท่านทั้งหลายกําลังฟังอยู่นี้เรียกว่ากําลังเจริญสุตตะมยปัญญากําลัง ได้รับความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัสรู้ที่เราจะสามารถนำเอาไปทำลายาความทุกข์ต่างๆทำลายพบชาติต่างๆให้หมดไปแต่การฟังนี้ยังไม่สามารถทำให้ความทุกข์ทั้งหลายาดับไปได้เพราะเป็นเหมือนกับการ ปูกฝังต้นไม้ต้นไม้ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่แต่จําเป็นที่จะต้องปลูกต้นไม้ก่อนถ้าไม่ปลูกต้นไม้ต้นก็จะไม่มีต้นไม้ที่จะโตขึ้นมาและออกดอกออกผลต่อไปฉนั้นในเบื้องต้นเราต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการอ่านหนังสือธรรมะก็ดี ด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ดีเพื่อที่เราจะได้นำเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาปลูกฝังไว้ในใจของเราเหมือนปลูกต้นไม้ของการตัดสู้เราต้องปลูกก่อนปลูกต้นไม้ก่อนเราต้องศึกษาต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนแต่ความรู้ที่เราได้รับจากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ ยังไม่สามารถนำเอาไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้เพราะเพิ่งเป็นความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้ได้ปลูกเข้ามาในใจของเราเราจึงต้องพัฒนาความรู้ขั้นแรกนี้ไปสู่ความรู้ขั้นที่สองคือมันเอาไปพิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่บ่อยๆค่ายครวนอยู่เรื่อยๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพื่อจะได้ฝังอยู่ในใจของพวกเราต่อไปอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาการการเจริญความรู้เจริญความรู้วิชาของพระพุทธเจ้าด้วยการหมั่นพิจารณา คิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่เนืองๆความรู้ที่เราได้รับจากการอ่านหนังสือธรรมะหรือจากการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าเราไม่นำเอาไปพิจารณาค่อยๆอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวความรู้ที่เราได้อ่านได้ฟังมามันก็จะจางหายไปได้เพราะชีวิตของเราเราก็ต้องใช้ความคิดไปในทางอื่น เช่นเราต้องทํามาหากินเลีเ้ยงปากเลี้ยงท้องทําอะไรต่างๆนานาเราก็ต้องใช้ความคิดไปในกับเรื่องราวต่างๆถ้าเราไม่ดึงความคิดมาคิดในทางปัญญาเดี๋ยวไม่นานาปัญญาที่เราได้รับจากการได้อ่านหนังสือธรรมะหรือจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรมมันก็จะจางหายไป แขั้นที่สองหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังทำแล้วเราก็ต้องเอามาลราเลึกอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้มันไม่ลืมพอเราไม่ลืมมันแล้วเวลาที่เรา เ, าเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็จะสามารถนำเอาความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้พิจารณาค่ายควรอยู่ เพราะเราจะไม่ลืมพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ได้ทันทีแต่จะดับได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของจิตใจของพวกเราถ้าจิตใจของพวกเรายังไม่มีกำลังคือยังไม่มีความสงบยังไม่มีสมาธิความรู้ที่เราได้จากพระพุทธเจ้ามา ก็ยังจะไม่สามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้ถ้าเราพิจารณาทำแล้วแต่ความทุกข์ยังไม่ดับไปก็แสดงว่าใจของเรายังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความทุกข์หยุดต้นเหตุของความทุกข์ที่พุทธเจ้าทรงชี้บอกว่าเป็นอะไรยัง ความรู้ที่พวกเราเรียนรู้กันที่เรียกว่าปัญญานี้ก็คืออะไรก็คือพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคและไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตานี่คือปัญญาหรือความรู้ที่เราจะสามารถนาเอาม า, มาดับทุกภายในใจได้ถ้าเรามีปัญญาระดับที่สาม ปัญญาระดับที่สามนี้เราเรียกว่าภาวนามายัปปัญญาคือต้องมีความรู้ที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อ่านหนังสือแล้วเอามาไข้ควรพิจารณาอยู่เนืองๆจนไม่หลงไม่ลืมแล้วเราก็ต้องมาเจริญสติเพื่อมาทำใจให้สงบ ให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขาคตาุมเป็นอุเบกขาถ้าใจเรายังไม่รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกขาคตาุมเป็นอุเบกขาใจของเราจะไม่มีกำลังไปดับความทุกข์คือไปหยุดต้นเหตุของความทุกข์ได้ก็คือสมุ ท, ทยัยไตรภาริยาาสัสสีท่านแสดงไว้ว่าทุกเกิดจากสมุ ท, ทยัย สมุทัยก็คือตัณหาทั้งสามได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนบอกว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองคือเกิดจากกามตัณหาหรือภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหา ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ภายในใจของเราหายไปเราก็ต้องหยุดการมาตัญหาภาวะตัญหาหรือวิภาวะตัญหาให้ได้และสิ่งที่จะดับมันได้ก็เรียกว่ามรคที่เราต้องใช้เป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์มรคนี้ก็มีศีลสมาธิปัญญา ศีลเราก็ต้องรักษาให้บริสุทธิ์สมาธิเราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังการพิจารณาค่อยควรเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมให้มันอยู่กับใจถ้าเราเอามาใช้ร่วมกับสมาธิปัญญาที่เราจะใช้ดับความทุกข์นี้ก็จะดับได้ และปัญญานี้ที่เราเรียกว่าภาวนามายปัญญานี่คือปัญญาระดับที่สามที่จะออกดอกออกผลให้แก่ผู้ปฏิบัตินีเหมือนกับต้นไม้ที่จะออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของต้นไม้เจ้าของต้นไม้ต้องมันตอนต้นต้องปลูกก่อนเมื่อปลูกแล้วก็ต้องมันทํานุบํารุงดูแลรักษาไม่ให้ต้นไม้นั้นตายไปก่อน ให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโ ต, กตกขึ้นไปตามลาดับจนจเจริญเต็มที่ต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลให้แก่ผู้ปลูกต้นไม้ปัญญาก็เป็นในลักษณะอย่างนี้ปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้ยังไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้อย่างถาวรอาจจะดับได้บ้าง เป็นข้างเป็นข่าวแต่ยังไม่สามารถถอนรากถอนโคนให้มันดับให้หมดอย่างสิ้นเชิงได้ถ้าไม่มีปัญญาขั้นที่สามก็คือปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนที่เรียกว่าภาวนาเมายะปัญญาคำว่าว่าภาวนานี้ก็คือสมถะภาวนานี้เอง สมถะก็คือความสงบหรือสมาธิดังนั้นนอกจากการที่เราจะฟังเทศฟังธรรมและพิจารณาค่ายควรทำที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วเรายังต้องหมั่นเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาด้วยเพราะถ้ายังไม่เกิดสมาธิตัญญาที่เราได้ยินได้ฟังได้นำมาพิจารณานี้ ยังจะไม่มีกําลังพอที่จะตัดตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปได้เช่นปัญญาที่เราต้องใช้ในการดับดั บ, ดบตัณหาก็คือไตรักนี้เองเราต้องหมั่นพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในโลกนี้ที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นเช่นลาบยศสรเสรนรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่พวกเรามีไว้สำหรับให้ความสุขกับเราล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีเกิดก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดา เวลาจเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราแต่เวลามันเสื่อมมันก็จะให้ความทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไปมีความผูกพันกับลาบยศสระเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่เราจะต้องพบกับความทุกข์อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ลาบยศสละเสริญ รูปเสียงกึ่นลดต่างๆนั้นเสื่อมไปความสุขที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมือไปแล้วจากการที่เคยเป็นของเรากลายไปเป็นของคนอื่นแทนหรือดับไปหมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี่คือความรู้ที่จะเอามาดับความทุกข์ได้ ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราก็ลืมเพราะความหลงมันจะครอบงำทันทีเวลาเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะคิดว่าราบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถะนี้เป็นสุขเป็นสิ่งที่ถาวรเป็นของเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อย แต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็จะเกิดความทุกใจขึ้นมาเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงความจริงมันไม่ได้เป็นของที่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาหรือความรู้ที่พระเจ้าทรงสอน ให้พวกเรามันพิจารณากันอยู่เรื่อยๆว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลถภ พ, พะนี s เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเวลามันดับไปเวลามันจากเราไปนี้มันจะทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับลาบยศสรรเสริญอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะ คือให้เราปล่อยวางอย่าไปมีอย่าไปอาศัยเขาเป็นที่พึ่งให้ความสุขกับเราเพราะถ้าเราไปอาศัยเขาแล้วเวลาเขาจากเราไปเวลาเขาหมดไปเราก็จะต้องทุกข์กันนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอาศัยลาบยศสารเสริญมาให้ความสุขกับเรา ให้เรามาหาความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบคือการทำใจให้มีสมาธิพอเวลาใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาใจจะมีความสุขนละจะเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพานี่เองนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินอกจาก เรียนรู้ว่าปัญญาคืออะไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติจิตคือทำจิตให้สงบ ก, การจะทำจิตให้สงบเป็นสมาธินี้ต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ถ้าเปรียบเทียบจิตเป็นเหมือนกับลิงถ้าเราต้องการให้ลิงจับลิงมานั่งอยู่เฉยๆเราก็ต้องมีเชือก ต้องมีเชือกไปคล้องไปจับตัวลิงไปคล้องคอมันแล้วพอคล้องคอมันได้ก็ลากมันเข้ามาแล้วก็จับให้มันนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ต้นไม้แล้วก็ผูกมัดมันไว้กับต้นไม้พอลิงถูกจับมัดไว้กับต้นไม้มันก็ดิ้นไม่ได้มันก็จะนั่งอยู่เฉยๆใจของเราก็เป็นเหมือนมันถ้าไม่มีสตินี้มันจะเค็ดไปเรื่อยๆ คิดไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับหรือบางทีเวลาหลับมาก็ยังคิดต่อไปคิดไปกลายเป็นความฝันขึ้นมาความฝันนี้ก็คือความคิดของใจเรานี้เองในขณะที่เรานอนหลับพอเราไม่มีสติคอยควบคุมหยุดให้มันเป็นสมาธิกันนั้นเองมันก็เลยคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันมักจะคิดไปในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาคิดไปในทางสมุทยัย คิดไปในทางกามัตตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเองเราจึงต้องมาเจริญมัคกกคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่เราจะได้หยุดความคิดนี้จับจิตหยุดจิตตัวนี้ที่เป็นเหมือนมิงให้มันนั่งอยู่เฉยๆว่าเวลาจิตสงบแล้วนั่งอยู่เฉยๆนี้มันจะมีความสุขมากนั่นเองถ้าปล่อยมันคิดแล้วมันจะฟุ้ง แล้วมันก็จะเครียดกับความอยากต่างๆนี่คือส่วนที่เราต้องเจริญควบคู่ไปกับการเจริญปัญญาสลับกันไปเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาที่เราออกมาจากสมาธิเราก็มาเจริญปัญญากันอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามอำนาจของสมุทยัยคือคิดไปตามความอยากต่างๆ ให้เอามาคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางมักมักก็คือคิดไปในทางปัญญาปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราศึกษาและเจริญกันก็คือไตรลักษณ์นี้เองอนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายและความไม่น่ารับประทานของอาหาร นี่เราเรียกว่าอาหารเปฏิกู ล, ลสัญญานี่เป็นปัญญาที่จะทำให้เราหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆได้เช่นถ้าเราอยากอาหารถ้าเราพิจารณาความสกรปรกของอาหารเวลาที่อาหารเข้าไปในปากแล้วมันน่ารับประทานไหมเวลาที่เราคลายมันออกมาถ้ากําลังเคี้ยวอาหารอยู่แล้วคิดว่ามันอร่อย ก่อนจะกลืนมันลองคายออกมาดูหน้าดูตาเหมือนก่อนแล้วค่อยปัดเข้าไปในปากแล้วกลืนเข้าไปใหม่ดูซิว่าเราจะรับประทานได้หรือไม่อันนี้ถ้าเราเวลาที่เราต้องการที่จะอดอาหารเช่นเราถือศีลแปดตอนเย็นนี่เราอาจจะเกิดความหิวขึ้นมาถ้าเราเลิกถึงอาหารที่อยู่ในปากนึกถึงอาหารที่อยู่ในท้องเวลาอาจเจียนออกมา เนือนึกนึกถึงอาหารที่อยู่ในลําไส้เวลาขับถ่ายออกมาถ้าเราเห็นอาหารแบบนั้นแล้วเราจะไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารทำให้เราสามารถหยุดความอยากรับประทานอาหารได้เวลาที่เราไม่ต้องการจะรับประทานอาหารเช่นเวลาที่เราถือศีลแปดหรือเวลาที่เราผ่อนหรืออดอาหารเพื่อเพื่อเร่งความเพลยนเพื่อกาจัด ลิวอนคือความง่วงเหงาหานอนอการอดอาหารนี้จะช่วยทำให้ไม่ง่วงนอนจะทำให้นั่งสมาธิแล้วไม่สับประกะเวลาเดินจงกรมก็ไม่ขี้เกียจตัวเบาสบายแต่เวลาอดอาหารใจก็มักจะชอบไปคิดถึงอาหารเราจึงต้องให้มันคิดไปในทางปัญญาอย่าไปคิดถึงอาหารที่มีอยู่ในจาน อย่าให้ไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากหรืออยู่ในท้องหรืออยู่ในลาไส้ถ้านึกถึงภาพของอาหารเหล่านั้นความอยากจะรับประทานอาหารมันก็จะหายไปทำให้เรารักษาศีลแปดได้ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะรักษาศีลแปดได้อย่างสบายแล้วถ้าเราถือศี 8, แลแป้วเราเกิดมีอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนของเรา กับคู่ครองของเราเราก็ต้องพิจารณาอสุภะดูส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนอย่าไปดูส่วนที่สวยงามพิจารณาดูเข้าไปข้างในของร่างกายพิจารณาดูของที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังพอเข้าไปใต้ผิวหนังก็มีเนื้อมีเอนมีกระดูกดูกระดูกโครงกระดูก ทั้งร่างที่มีอยู่ในร่างกายนับตั้งแต่โครงกระโหลกศีรษะลงไปถึงกระดูกที่เท้านี่อันนี้มีอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนอกจากโครงกระดูกแล้วก็มีมีม้ามมีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้มีสมองมีอาหารใหม่อาหารเก่านี่คือสิ่งต่างๆ ที่ไม่น่าดูที่มีอยู่ในร่างกายของพวกเราทุกคนรวมทั้งร่างกายของแฟนของเราด้วยถ้าเราเระลึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของแฟนเราเนี่ยความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะหายไปอันนี้เป็นปัญญาที่เราจะเอามาใช้ในการดับความอยากต่างๆแต่จะดับได้ และจะหยุดได้เราต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิบางทีพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังอยากได้อยู่ถ้าเราพิจารณาแล้วมันยังหรือไม่มีกำลังจะพิจารณาพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานึกไม่ถึงอสุภะเลยมองไม่เห็นเลยแล้วเวลาหิวนี่ไม่มีกำลังที่จะลึก ถ, ถึงความไม่สวยงามความไม่น่ารับประทานของอาหารเลย ถ้าเราไม่สามารถเอาปัญญามาพิจารณาในขณะที่เกิดตัณหาเกิดความอยากได้ก็แสดงว่าใจเราไม่มีสมาธิไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้มาคิดในทางปัญญานั่นเองให้มาคิดถึงอสุภะให้มาคิดถึงความไม่น่ารับประทานของอาหารหรือเวลาที่เราเจอความเจ็บของร่างกายเราก็จะเกิด ตัหาความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปพอเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ยิ่งเกิดความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเรามีปัญญาที่มีกำลังที่จะหยุดความอยากนี้ได้เราก็จะพิจารณาว่าความเจ็บของร่างกายนี้มันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้อนัตตาแปลว่ามันไม่ได้เป็นของเราไม่ได้อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเราไม่สามารถสั่งให้มันหายไปได้เวลามันเกิดขึ้นมาถ้าเราไปอยากให้มันหายเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี่แหละเป็นตัวที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์ทางร่างกาย ความทุกข์ทางร่างกายนี้ถ้าไม่มีความทุกข์ทางใจนี้เราจะสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายแบบไม่รู้สึก เ, เดือดร้อนเลยถ้าเรามีปัญญาที่สามารถเอามาใช้ดับความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้ความทุกข์ทรมานใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะความทุกข์ทรมานใจเกิดจากความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไปนี้เอง พอเรามีปัญญาที่มีกําลังที่จะดึงใจให้มาคิดว่าอาความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเรื่องธรรมด า, เ, าเป็นอนัตตาเป็นของธรรมชาตเาิเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันหายไปเองได้เดี๋ยวมันจะหายมันก็หายไปเองเดี๋ยวมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่มันไม่ม มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วข่าวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนานี้หรือความรู้สึกของทางร่างกายนี้ก็มีสามชนิดด้วยกันทุกขเวทนาก็คือความเจ็บของร่างกายสุขเวทนาก็คือความสุขของร่างกายและไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็คือความเป็นเฉยๆของร่างกายไม่เจ็บแต่ก็ไม่สุข มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยต่างๆเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของเราได้ถ้าเราอยากแล้วเราจะทําให้เราทรมานใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็ดึงเอามาใช้สอนใจว่าอย่าไปอยากให้เวทนาหายไปอย่าไปอยากให้ความเก็บของทางร่างกายหายไปเพราะอยากแล้วจะไม่ทําให้มันหายไป สองมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือความทุกข์ทางใจที่จะทำให้เราทนอยู่กับความเจ็บของทางร่างกายไม่ได้ถ้านั่งอยู่ก็จะต้องขยับต้องเปลี่ยนอิรนทีบทต้องลุกขึ้นมาเดินต้องลุกขึ้นมาทำอะไรต่อไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเอามาสอนใจไม่ให้มีความอยากให้ความเจ็บของทางร่างกายหายไป เราก็จะสามารถนั่งอยู่ต่อไปได้น่าใจของเราก็จะสงบลงใจจะสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายหรือเวลาที่เราไปเจอความตายเช่นเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่คิดว่าเรา อาจจะต้องตายเถ้าเราเกิดความไม่อยากตายขึ้นมาเราจะเกิดความทุกข์ทรมานมากจะเกิดความกลัวตายขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถเอาปัญญามาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครสามารถที่จะมาห้ามไม่ให ร่างกายนี้ตายไปได้เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องตายถ้าเราอยากไม่ให้มันตายนี้เราจะกลัวสุดขีดเราจะทรมานมากเราจะทุกข์มากแต่ถ้าเรามีปัญญามาสอนใจว่าต้องปล่อยวางร่างกายร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปเป็นธรรมดา ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายนี่จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างอย่างมากพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วสามารถหยุดความอยากให้นั่งกายไม่ตายได้ใจก็จะปล่อยปล่อยแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายจะตายอย่างสบายจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความตายเลยอันนี้ก็เรียกว่าปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนามายปัญญา ถ้าสามารถดับความทุกข์ละความอยากที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจได้ไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาหรือว่าภาวะวิภาวะตัณหาถ้าดับมันได้แล้วใจก็จะสงบใจก็จะนิ่งใจจะสบายเป็นอุบเบกขาจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับความตายของร่างกายหรือความเจ็บของร่างกาย ถ้าเกิดกามอารมณ์ก็สามารถระงับดับกามอารมณ์ได้ถ้าสามารถนำเอาอาสุภะามาใช้ในการดับกามะตัญหาหรือกามะราคะได้หรือเวลาเกิดความหิวอยากจะรับประทานอาหารโดยที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับประทานอาหารถ้าเอาอาหารในปฏิกูลสัญญาขึ้นมาได้นึกถึงความไม่สวยงามไม่น่ารับประทานของอาหารมา สอนใจให้ให้ให้หยุดความหิวถ้ามีกำลังดึงปัญญาเหล่านี้ออกมาใช้แล้วหยุดความหยุดความหิวหยุดความทุกข์ได้<ม>ก็แสดงว่าเป็นปัญญาขั้นที่สา ม, มปัญญาขั้นที่สองกับขั้นที่สามนี้คล้ายคลึงกันก็ต้องใช้ความคิดระลึกถึงใยรักระลึกถึงอสุภะรลึกถึง ระ ล, ลึกถึงอาหารเลยปฏิกูลณาสัญญาแต่จะระลึกได้หรือไม่นั่นสเนิเวลาที่เกิดข้อสอบขึ้นมาเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วนี้บางทีมันลืมไปหมดปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมาปัญญาที่เราได้คิดได้ใข้ควรมาพอถึงเวลาจะเอามาใช้มันหายไปไหนหมดแสดงว่ามันมันไม่ได้เป็นภาวนามายปัญญา ถ้ามันเป็นภาวนามยะปัญญามันจะมาทันทีเวลาเราเรียกมันขึ้นมาให้มันมาดับความทุกข์ดับตัณหาความอยากมันจะมาถ้ามันมาเราก็จะสามารถดับความทุกข์ละตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปได้พอไม่มีตัณหาแล้วต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรไม่มีความทุกข์กับเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการรับประทานอาหารไม่มีความทุกข์กับเรื่องของการอยากจะมีแฟนอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนเพราะมันจะไม่มีความอยากแบบนั้นหลงเหลืออยู่ภายในใจใจจะมีความสุขอยู่กับความสงบความไม่มีความอยากต่างๆเอตที่ใจของพวกเราไม่สงบ ก, ก็เพราะความอยากต่างๆเหล่านี้เอง ที่ทําให้ใจเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต้องไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาให้ความสุขแต่มันก็เป็นความสุขประเดี๋ยวประดาว เ, เวลาเกิดความอยากก็ต้องวิ่งไปหาพอได้มาแล้วความอยากนั้นก็สงบตัวลงไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเราก็ต้องไปวิ่งหามวิ่งไปทําตามความอยากใหม่อยู่เฉยเฉยไม่ได้อยู่เฉยเฉได้ไม่นาน เวลาความอยากสงบตัวไปใจก็สงบไว้ชั่อค่าวแต่พอเวลาความอยากโผล่กลับขึ้นมาใหม่มันก็จะมาสร้างความวุ่นวายใจให้แก่เราใหม่งนั้นการทำตามความอยากจึงไม่ได้เป็นวิธีกำจัดความอยากแต่จะแต่จะเป็นวิธีต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะหยุดความอยากต้องหยุดด้วย ศีลสมาธิปัญญานี่ เ, เราต้องรักษาศีลกันเราต้องเจริญสมาธิกันแล้วเราต้องนำ เ, เลิกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆนำ เ, เลกถึงอสุภาษิอยู่เรื่อยๆนำ เ, เลิกถึงอาหารเลปฏิกูและสัญญาอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมพอเกิดความอยากขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เอาปัญญาเหล่านี้มาใช้ถ้าเราเอามาได้แล้วเราหยุด หยุดความอยากได้มันก็เป็นปัญญาระดับที่สามที่เรียกว่าภาวนาเมายะปัญญาเอเป็นเป็นปัญญาที่ให้มรคให้ผลนี่เองเป็นถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่จเจริญเติบโ ต, ตเต็มที่แล้วออกดอกออกผลให้กับผู้เป็นเจ้าของแล้วถ้ายังไม่เจริญเติบโ ต, ตเต็มที่ก็ยังจะไม่ออกดอกออกผลให้เจ้าของก็ต้องหมั่นคอย ดูแลรักษาต้นไม้ให้มันไม่ดมหายตายจากไปอัน ญ, ญานี้พอเราได้เรียนรู้จากการได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็ต้องเอามาเจริญต่อตเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามันพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่ไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องมีการพัดผ้าจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดผ้าจากการไปไม่ได้ถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราจะลืมกันเราจะลืมว่าเราต้องแก่กันเราจะต้องเจ็บกันเราจะต้องตายกันเราต้องพัดผ้าจากกัน พอเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดการพัดภาคจากกันเราก็เกิดความวุ่นวายใจกันขึ้นมาเพราะเรามีความอยากไม่ให้ต้องมาพัดภาคจากกันมีความอยากไม่ให้ร่างกายเราแก่ให้ร่างกายเราเจ็บให้ร่างกายเราตายกันแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจ คอยรักษาใจไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาเพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วก็จะทำให้เราทุกข์กันนั่นเองเราจึงต้องหมั่นพยายามควบคุมใจของเราให้นิ่งให้สงบอยู่เรื่อยๆด้วยสติขอยางควบคุมใจอย่าให้ไปคิดตามตามความอยากต่างๆถ้าจะคิดก็ให้คิดไปในทางปัญญาให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา แล้วความอยากมันก็จะหดตัวลงไปแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปได้นี่คือเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้มีปัญญาเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆปัญญานี้จะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนเป็น จะเป็นปัญญาที่มีพลังในการทำลายกิเลสตัณหาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้การที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนของกของศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเช่นศีลแปดเราก็จะทะเเละถละไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้พวกที่ไม่ถือศีลปถือศีลห้านีาก็ยังไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้ แทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปร่วมหลับนอนกับแฟนแทนที่จะเอาเวลามานั่งสมาธิก็ไปนั่งรับประทานอาหารกันอาหารข้ามอาหารเย็นหรือเดินไปเที่ยวกันไปดูหลังดูละครกันไปแต่งเนื้อแต่งตัวกันอันนี้ก็จะทําให้ไม่เวลามานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบกันนั่นเองมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญา ดังนั้นเราต้องมีศีลก่อนนรถึงจะสามารถมาปฏิบัติสมาธิได้แล้วเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะสามารถเอาปัญญาที่พุทธเจ้ามอบให้กับพวกเรานี้มาใช้ในการทําลายความทุกข์เวลาที่มันเกิดขึ้นมาภายในใจไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ในรูปแบบไหนมันก็เกิดจากตัณหาทั้งสามนี้ทั้งนั้นเกิดจากกามตัณหาหรือเกิดจากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหา แล้วพอเราใช้ายลักษ์หรือใช้อสุภะหรือใช้อาหารอะไปฏิกูลสัญญาเราก็จะสามารถทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดสุขไปตลอดที่เรียกว่าปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขังใจที่มีความสุขไปตลอด นิพพานก็คือใจที่สงบที่ไม่มีตัณหาความอยากมาสร้างความวุ่นวายใจให้นั่นเองเพราะได้ถูกกําจัดด้วยมรรคคือธรรมของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาแล้วนั่นเองนี่คือเรื่องของความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบได้ทรงรู้ว่าความรู้นี้จะสามารถนําเอาไปใช้ในการปฏิบัติ เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุที่พาให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันหยุดวันหย่อนพอได้ทำลายตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจแล้วคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วใจก็จะไม่มีตัวผลักดันให้ไปเกิดเหล็กต่อไปนะ เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายอีกต่อไปทุก็จะหมดไปเพราะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการมีความอยากอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีการไปเกิดต่อเมื่อมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อยังอยากได้ลาบยศสารเสิญสุกอยู่ก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาราบยศสรเสิน มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแต่พอเราจเจริญปัญญาเราเห็นว่าความทุกข์ของเราการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราต้องการกาจัดมันเราก็ต้องเอาเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบว่าเป็นเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ เครื่องมือนั้นก็เรียกว่ามัคมัค ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พวกเรากำลังบาเพ็ญกาลังเจริญกันอยู่ในตอนนี้เรามารักษาศีลแปด ก, กันแล้วเราก็มานั่งสมาธิทาใจให้สงบกันแล้วเราก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้รู้ว่าเราต้องกำจัดอะไรเราต้องทำลายอะไร สิ่งที่เราต้องกำจัดต้องทำลายก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาถ้ า, าใจเรามีกำลังมีสมาธิเราก็จะสามารถกำจัดมันได้เวลาเกิดกามตัณหาขึ้นมาแล้วก็ใช้อานิจังทุกขังอนัตตาใช้อสุภะใช้อาหารเลยปฏิก ล, ลสัญญาเข้ามาดับมันได้แล้วพอเราดับมันได้แล้วมันก็จะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกต่อไป เพราะถ้ามันกลับมาเกิดเ้วก็จะดับมันได้เสมอเพราะเรามีเครื่องมือที่จะคอยกําจัดมันตลอดเวลาในที่สุดมันก็จะไม่กลับขึ้นมาอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์ไม่มีไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดริ้ได้ทรงค้นพบ เรามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาความรู้ที่พระเจ้าได้ส่งค้นพบความรู้ที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าเอามาสอนพวกเราเอามาแบ่งให้กับพวกเราให้อะไรพวกเราเอาไปใช้กันความรู้นี่แหละที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรนินจินดาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เราเรียกความรู้นี้ว่าพระธรรมรัตรนะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเพชรเป็นรัตรนเป็นเพชรเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะของที่มีคุณค่าต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่า น, นั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ แต่พวกเราต้องนำเอามาปฏิบัติกันถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่วิเศษขนาดไหนถ้าเราไม่เอามาศึกษาและนำาอามปปฏิบัติเราก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อเราศึกษาศึกษาแล้วเรานำเอามาปฏิบัติตาม ท่านสอนให้เรารักษาศีลก็รักษากันท่านสอนให้เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบก็ทำกันท่านสอนให้เราเจริญปัญญาพิจารณาไตรักอยู่เรื่อยๆพิจารณาอาริยสัจสี่อยู่เรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติตามเราก็จะมีปัญญาเวลาเกิดตัณหาความอยากเวลาเกิดความทุกข์เราก็จะรู้ว่าเกิดจากตัณหาความอยากของเราเราก็ใช้ปัญญาใช้ไตรักมาดับมัน ถ้ามีตายักเราหรือมีอสุภะนี้หรือมีอาหารเยปฏิกรลสัญญาเราจะสามารถดับความทุกข์ดับความอยากต่างๆได้ให้หมดไปจากใจของเราอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนี้สามารถดับกันได้มาเป็นจำนวนมากแล้วคือพระสาวกทั้งหลายพระอริยสง์สาวกทั้งหลายการที่ท่านเป็นพระอริยสงสากก็เพราะว่า ท่านนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองคําว่าคำสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังท่านเป็นผู้ฟังก่อนฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วท่านก็นําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเอาไปปฏิบัติท่านก็ไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันเจริญแบบเต็มรูปแบบคือตลอดเวลาไม่ใช่เหมือนกับที่เราเจริญกันในขณะนี้ตอนนี้เรายังเจริญแบบ ชิมลางกันอยู่ยังทดลองกันอยู่ยังไม่ได้ทําแบบเต็มรูปแบบวันไหนเราว่างเราก็มาทํากันวันไหนเราไม่ว่างเราก็ไม่ทํากันเราก็ไปทําอย่างอื่นถ้าเราไม่ทําแบบเต็มรูปแบบทําแบบต่อเนื่องเนี่ยผลมันจะไม่เกิดมันจะเกิดแค่แบบนิดเดียวเหมือนถ้าฝนตกก็ฝนตกสองสาเม็ดแล้วก็หายไปถ้าอยากจะให้ฝนตกแบบอได้น้ำมากมากนี่เราต้องปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบ คือปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับนอย่างพวกนักบวชทั้งหลายเนี่ยวมนักบวชพระภิกษุทั้งหลายเนี่ท่านปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับศีลท่านรักษาตลอดเวลาสมาธิท่านเจริญตลอดเวลาปัญญาท่านเจริญตลอดเวลาท่านใจจิตใจของท่านจึงหลุดพ้นกันอืพระอริยสงสารลกส่วนใหญ่จึงเป็นนักบวชกันเป็นส่วนส่วนมาก มีน้อยบ้างมีน้อยที่เป็นพวกคาลวะผู้ครองเรือนอเพราะว่าคารวะส่วนใหญ่จะไม่มีเวลาปฏิบัติเหมือนกับนักบวชนั่นเองไม่ใช่เพราะไม่มีความสามารถแต่ไม่มีเวลาอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนแทนที่จะเอาเวลามาเจริญสีนสมาธิปัญญาก็เอาเวลาไปเจริญลาบยศสารเสนสุขกันก็เลยได้ลาบยศ ส, สรเสญสุข แล้วก็ต้องทุกกับราบยศสารเสริญสุขเวลาที่มันเสื่อมไปแต่ถ้าเอาเวลาที่ไปใช้ในการเจริญราบยศสารเสริญสุขนี้มาเจริญศีลสมาธิปัญญากันไม่นานก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันพระพุทธเจ้าทรงรับประกันไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าผู้ใดาสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้คือศีลสมาธิปัญญาได้นี้ ภายในเจ็ดวันก็วันก็สําเร็จได้บรรลุได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องได้ผลอย่างแน่นอนถ้าทําอย่างเต็มที่ทําแบบเต็มรูปแบบไม่ใช่ทําแบบมือสมัครเล่นแต่ทําแบบมืออาชีพมือสมัครเล่นก็จะทําเวลาที่มีเวลาว่างจากภารกิจการงานอย่างอื่นถ้าทําแบบนั้นก็จะไม่สามารถที่จะ ได้ผลจากการปฏิบัติเหมือนกับนักกีฬามืออาชีพกับนักกีฬ า, าสมัครเล่นเวลาแข่ง ข, ขันนี้ผู้ที่ได้เหรียญกันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพทั้งนั้นถ้าเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนี้จะไม่ได้ไม่ได้เหรียญ <ST> UM e> ไม่ได้รางวัลกันเพราะเวลาซ้อมมัน ไ, ไ, ไ, ไม่มีมากเหมือนกับพวกที่เป็นนักกีฬามืออาชีพนนักนักปฏิบัติก็เหมือนกันนักปฏิบัติก็มีแบบสมัครเล่นกับ มืออาชีพส่วนใหญ่ผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิผ่าน ก, นกันก็เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพเท่านั้นก็คือนักบวชผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณีในสมัยในอดีตก็มีภิกษุณีที่บรรลุมรรคผลนิผ่านกันดังนั้นถ้าเราอยากจะเอาความรู้ของพุทธเจ้ามาทําให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานี้เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จและเวลาของเราให้กับการ ศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ทำแบบเต็มรูปแบบนี้โอกาสที่เราจะได้รับผลนี้มันมันเป็นไปได้ยากก็คิดว่าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติกันเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา กินขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยและเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่มีการถามตอบอีกต่อไป อยากกลับเรียนทางพระาจานะคะเวลาที่จิตใจเรารู้สึกมีความอิจฉาผู้อื่นขึ้นมานะคะเราควรจะทํำยังไงเพื่อที่จะร ง, งับหรือว่ากําจัดความรู้สึกนี้ออกไปคะก็มีสองวิธีวิธีแรกก็อย่าไปคิดถึงเขาเลยดึงใจมาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปแล้วพอตอนลืมเรื่องเขาไปอย่างตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเขาเราก็ไม่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาอะไรดังนั้นเราต้องฝึกสติ อาจใช้พุโทโธเวลาที่เราเกิดอารมณ์ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นความอิจชา้าหรือยาหรือความโกรธความเสียใจถ้าเรายังไม่รู้จะทำไงใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้ใช้สติไปก่อนท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งหรือคนที่ทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาถ้าขั้นที่สองขั้นแรกนี้มันจะทําได้แบบชั่วคราวพอเราเพลิสติเราไปคิดถึงเรื่องเก่ามันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ ถ้าเราอยากจะให้มันหาอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วเขาต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเขาได้ดีได้ดีก็เพราะว่าเขาทําอะไรมาจึงทําให้เขาได้ดีได้ดีเราไม่ได้ทําเหมือนเขาเราก็เลยไม่ได้ดีได้ดีเหมือนเขาถ้าเราอยากได้ดีได้ดีเหมอนเขาก็ไม่ถามว่าเดี๋ยวก็ทํำยังไงอาะจายไหม คำถามจากทางบ้านจากคุณตาแอน นั่งสมาธิกำหนดพุทโธแล้วเห็นความคิดที่ผุดขึ้นเหมือนฟองน้ำในน้ำที่กำลังเดือดแล้วแตกไปเร็วมากจากนั้นจิตรวมแล้วหายใจเหมือนไม่หายใจไม่รู้สึกถึงลมหายใจเพียงรู้สึกเย็นๆปลายจมูกและลุกรู้ถึงมีที่มือที่ประสานกันโดยไม่ตกใจอะไรแล้วพยายามทดสอบตัวเองให้คิดปรุงอะไรก็ไม่ไม่ปรากฏว่าจะเกิดก การคิดปรุงใดๆควรทําอย่างไรต่อไปคะก็ควรปล่อยให้มันนั่งนิ่งๆไปนานๆเพราะการนั่งสมาธินี้เพื่อเป็นการสร้างฐานสร้างความสงบให้กับใจสร้างกําลังให้กับใจเพื่อที่จะได้ใช้กําลังของความสงบนี้ไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่อไป คำถามจากคุณอวยพรขณะที่เราจะเริญนสมาธิจนจิตตั้งมั่นดีแล้วบางครั้งถอยออกมาแผ่เมตตาก็ตั้งจิตว่าขอให้กุศล น, นี้แผ่ไปยังสามโลกโดยไม่มีประมาณทั้งตั้งจิตถึงบางท่านด้วยอยากทราบว่ากุศล น, นั้นถึงเขาจริงไหมในรูปแบบใดหรือจะได้รับเฉพาะแต่ผู้ที่ได้อนุโมทนาเท่านั้นคะ อ๋อไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นไม่มีใครมารับเราอยู่ของเราคนเดียวนั่งของเราคนเดียวและขณะที่จิตสงบไม่ควรที่จะไปแผ่ควรจะปล่อยให้จิตสงบไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกจากความสงบถอนเราจะซ่อมสงบแล้วก็มาเจริญสติต่อหรือไม่เช่นนั้นก็มาพิจารณาทางปัญญาต่อไม่ต้องไปแผ่เมตตาเพราะตอนนั้นไม่ใช่เวลาแผลเพราะไม่มีใครรับเวลาแผลเมตตาต้องมีคนรับ เช่นเวลาเรามาพบกันเนี่ยถ้าเราไปพบปกับใครตาดนน้านเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาเรายิ้มให้เขานี่เราก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วเราถามสารททุกข์สุขดิบมีขนมนมเนยมีข้าวของอะไรมาฝากเขาอันนี้ก็เรียวกว่าแผ่เมตตาแต่ไม่ใช่มานั่งเฉยๆอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนไม่ก็ามารับหรือไม่รับเขาก็ไม่รู้เรื่องตอนนั้นไม่ใช่เวลาแผ่ การที่เราสวดมนต์สวดแผ่เมตตากันก็เพื่อเป็นการสอนใจซ้อมใจให้รู้จักวิธีแผ่ให้เรา ร, รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่เราพบปะกันหรือเวลาที่มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องแผ่เช่นเวลาเราโกรธใครนี่ต้องเป็นเวลานั้นที่เราต้องแผ่เราต้องให้อภัยคนที่เขาทำให้เราโกรธหรือถ้าเราอิจฉาใครเราก็ต้องยินดีกับเขาไปอย่าไป โกรเขาอย่าไปอิจฉาเขาให้คิดว่าเป็นเหมือนเล่นกีฬากันเขาเป็นนักกีฬาเราเป็นนักกีฬาเขาแข่งเขาได้เหรียญแต่เราแข่งแล้วเรายังไม่ได้เหรียญก็แสดงว่าเราอ่อนซ้อมถ้าเราอยากจะได้เหรียญเราก็พยายามไปซ้อมให้มากๆขึ้นไปสร้างเหตุที่จะทําให้ได้เหรียญขึ้นมาส่วนเขาได้เหรียญ น, นี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเพื่อไม่สามารถที่จะไปยับยั้งผลที่เขาได้รับ เราต้องแผ่เมตตาตอนที่เราเจอกันจะมีเหตุการณ์ไม่ใช่เรานั่งสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วเขามาแผ่มันไม่ใช่เป็นวิธีแผ่เป็นวิธีซ้อมเป็นวิธีศึกษาเตรียมตัวเตรียมใจให้แผ่เวลาที่เราเจอเหตุการณ์จริง คำถามจากคุณพัฒนลีเวลานั่งปฏิบตัติคู่ๆกันไปกับการฟังธรรมที่พระอาจารย์ได้แสดงจิตเราดึกตามคําพูดนั้นมีได้นิ่งสงบแล้วจิตเราจะเป็นสมาธิได้อย่างไรคะท่าเราฟังแล้วเราพิจารณาไปถ้าจิตเราเข้าใจจิตเราก็จะปล่อยวางความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้พอปล่อยวางความอยากได้จิตของเราก็สงบได้ าปัญญคําถามจากคุณวิสุูตรผมเคยสร้างกรรมชั่วมานับไม่ถ้วนการที่ผมมาปฏิบัติธรรมนี้จะช่วยให้พ้นจากกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายที่ทํามาแล้วได้หรือไม่ครับไม่ได้แล้วกรรมที่ทำไว้ก็ต้องแสดงผลของเขาไปแต่การปฏิบัติความดีต่างๆมันจะเป็นเหมือนกับสร้างเากราะคุ้มกันใจหรือว่า ถ้าเราตกมาจากที่สูงถ้าเรามีเบาะนาๆเนี่ยเวลาตกลงมามันก็จะไม่เจ็บแต่เราต้องตกจากตึกแต่จะตกแบบไหนตกแบบกระแทกกับพื้นตกกระแทกกับเบาะถ้าเราทำบุญมากๆเราก็จะได้มีเบาะานาๆไว้รองรับเวลาที่เกิดวิบากกรรมถ้าเราไม่มีความดีไม่ได้ทำบุญทำกุศลไว้เวลาลรับวิบากกรรมมันก็จะกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรง คือผลก็จะทำให้จิตใจเราทุกทรมานมากถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลถ้าเรามีบุญมีกุศลนี้เราจะไม่ทุกข์เลยเวลาที่เกิดวิบากเช่นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้วิบากพระเทวทัตพยายามปลงพระชนถึงสามครั้งด้วยกันแต่พระทัยของพระองค์นี้มีบุญกุศลเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจจึยงไม่มีช่องให้ความทุกข์เข้าไปเหยียบย่าจิตใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว คำถามจากคุณนุวินเชสเตอร์ขอพระอาจารย์แนะนำวิธีรักษากำลังใจของคนที่ปราธนาพุทธภูมิซึ่งบางคนกำลังเจอมรสุมชีวิตทางโลกใหญ่มากๆค่ะก็ต้องใช้ขันติความอดทนต้องใช้สติถ้ามีสติก็จะอดทนได้ถ้าไม่มีสติก็จะอดทนไม่ไหวอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจเดือดร้อนใจ พยายามอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุคคลที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการเพราะความโลภ ถึงแม้จะผิดศีลธรรมความละอายใ น, ในใจของเขาจะลดลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าคะหรือพอทำผิด ไ, ไปเรื่อยๆแล้วใจเขามันจะชินกับสิ่งที่เขาทำจนกลายเป็นเรื่องปกติคะก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนทาแล้วก็ก็อาจจะชินกับการกระทำจนกระทั่งไม่รู้สึกมีความละอาย บางคนก็ยังอาจจะมีความละอายแต่ยังหักห้ามจิตใจไม่ให้ทำไม่ได้ก็ยังทำอยู่มันก็แล้วแต่จิตใจของแต่ละคนที่เราไม่สามารถที่จะไปไปอ่านได้และไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจกับจิตใจของคนอื่นก็ให้เราสนใจกับจิตใจของเราจะดีกว่าเพราะความสุขความทุกข์นี่มันของเรานะมันอยู่ที่ใจของเรามันไม่ได้อยู่ที่ใจของคนอื่น ยิ่งถ้าใจเราไม่ดีเราก็พยายามระงับมันถ้าใจเราคิดไปในธรรมในทางที่ไม่ดีเราเกิดความชินชาจนกระทั่งไม่มีความละอายเราก็ควรที่จะแก้ควรที่จะหยุดมันแต่อย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเขาถามต่อว่าแล้วจะวางใจหรือทําอย่างไรดีถ้าต้องร่วมงานด้วยกันค่ะก็อย่างที่พูดไว้ก็ต้องใช้กฎของกรรมเนี่ย สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใครทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขาที่จะรับผลกรรมที่เขาทําอยู่ในขณะนี้แล้วเขาก็ถามต่ออีกว่าถ้าเกิดเขาพูดตรงๆเพื่อให้รู้ตัวได้ไหมคะก็แล้วแต่ว่าพูดแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรถ้าพูดแล้วเกิดผลไม่ดีทะเลาะกันตีกันก็อย่าไปพูดดีกว่า คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหลังจากจิตเป็นสมาธิการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นเองหรือเปล่าคะหรือจะต้องคิดนำเพื่อเจริญปัญญาต่ อ, อ, อต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลายอยู่ในสมาธิเป็นเวลาหยุดคิดเวลาพักจิตเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ต้องคิดต้องการคิดไม่ต้องการเจริญปัญญาต้องการให้จิตนิ่งให้สงบไปนา น, น, าน พราะจะได้เป็นกำลังเวลาออกจากสมาธิมาจะได้มีกำลังมาเจริญปัญญาต่อไปพอจากพอออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องคิดคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางต่อยรักเช่นพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดอยู่บ่อยๆเพราะถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมเราจะลืมตายกันตอนนี้พวกเราลืมตายกันทุกคนเชื่อไหมไม่คิดว่าจะตายกันใช่ไห ม, ไม เราต้องไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลออีกสามเดือนเยถึงจะรู้ว่าเราต้องตายแต่ตอนนั้นมันก็ทำใจไม่ทันใช่ไล่ะแต่ถ้าเราคิดล่วงหน้าอยู่เรื่อยๆตเตรียมตัวอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องตายต้องตายต้องตา ย, ตตายไม่ลืมพอเกิดโรคมะเร็งขึ้นมาเราบอกอ๋อไม่เป็นไรเรารู้แล้วเราเตรียมตัวแล้ ว, วเราต้องเตรียมตัวไวว่้เตรียมตายกันแต่เราไม่ชอบเตรียมกันพอใกล้ความตายขึ้นมาก็เลยตกใจกัน แล้วการจเจริญปัญญาไปเรื่อยๆจะไปจบตรงไหนคะเพื่อที่จะผ่านสเต็ปต่อไปค่ะก็ผ่านตรงที่เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดติดได้นันเองยึดติดกับแฟนก็ปล่อยแฟ น, แฟนได้แฟนจะตายใจแฟนจะอยู่แฟนจะไปมีชู้มีอะไรก็เราก็ไม่เดือดร้อนกับเขาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราจะหายไปจะหมดไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วทำาทำใจให้รับความจริงอันนี้ได้เวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะไม่รู้สึกทุกข์เลย คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทำงานตามบริษัทตกลงให้เบรกช่วงโอทีสนาทีแต่หัวหน้างานให้เลทได้45นาทีถ้าเราเบรก45นาทีผิดศีนข้ออาทินาโกงเวลาไหมครับคือจะทำตามข้อบริษัทกำหนดหรือหัวหน้างานกำหนดครับก็ไม่รู้และ ว, ว่าคนไหนสำคัญก่อนกันนะ